ตอนีที่แจกให้วันนี้นะเกี่ยวถึงมาร์กิการหวัวข้อสำนวินิชัยสุขามบท17ข้อเลยครับนะฮซึ่งจะได้เรียนต่อไปนะครับอย mm hmm. ู่ท้ายๆนะบาในกลางขายนี้ก็มีแต่ว่าที่นี่จะอธิบายอธิบายเสริมรายละเอียดลหลายที่นะครับ mm hmm. ถ่ายเอกสารมาจากหนังสือคม อ, อมหวา น, นที่เ็าพิมพ์ที่ว่าม่อนจเจริญธรรมนะครับ รุ่นเป็นงานสองสารานะตัวนี้อาจารย์พยอมเป็นคนรวบรวมเรื่องเรียบเรียงมาเนยครับห็นว่ามีประโยชน์ดีมากนะก็เลยเอามาถายเอกสารแจก็ใช้ที่บ้านกันหลายรุ่นนั้นนะครับใช้ชี้ที่หนครับรู้สึกว่าดีนะครับแต่ว่านี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะถึงข้างหน้านะครับก็มาต่อเมื่อวานหน้าสามสิบสามสิบเจ็ดนะครับได้ครับ น้สามสิเจ็ดแล้วเมวื่อวานถึงเหตุการณ์อาศิษฐานะต้องประกอบด้วยองหกอย่างจิตคือจิตเขตการความพยายามบุคคลการรับรู้นะครับจไว้ให้ดีนะแล้วถ้าอ้าวการศึกเนี่ยจะเป็นการศึกต้องประกอบด้วยองค์เท่าไหร่บอกเลยต้องประกอบด้วยองคหกนะครับจิตเขตการความพยายามบุคคลการรับรู้เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปสามอย่างนะครับคือจิตที่จะศิกใช่ไหม แล้วก็สองเขตใช้คำพูดนะครับที่ถูกต้องนะคำพูดที่เป็นเขียกนการศึกและก็กา ร, ค, รคำพูดนั้นต้ามีปัจจุบนักการอดีอนาคตไม่เอานะครับเนี่ยหน้าถัดฐานภาษาข้อแล้วก็เลยสามนะครับก็มาดูยอหน้าสุดท้ายของหน้านะมาดูคำํำพิบายนะครับท่านเจตพิบาย่องความพยายามครับ ส่วนความพยายามมีสองอย่างคือความพยายามทางกายและความพยายามทางวาจาในความพยายามทั้งสองนั้นพิสูจเปล่นวาจาด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งเนี่นะครับนะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอะไรก็ได้นะครับ เ, เป็นต้นว่าพุทธทางประจักษามิขปเจ้าบอกคือพระพุทธเจ้าการศิกขาชื่อว่าสําเร็จนะครับ ด้วยความพยายามทางวาจานะครับขอให้ถูกการกละการประจวบนาการในภาษาไทยอก็ได้แต่เมื่อไปสู่ทางความพยายามทางกายมีการเขียนห<อ>นังสือโเขียนหนังสือลงไปนะครับหรือแสดงท่าทางมีการโบกมือเป็นต้นที่ว่าอวมวานนะโบกมืบายๆแล้วก็ออกไปเลยค <c oughs> เลยรการศึกษาเชื่อไม่สำเร็จครับเนไม่สำเร็จนะไม่เปเรียนศึกการศึกษาสําเร็จได้ก็ด้วยความพยายามทางวาจาอย่างเดียวเท่านั้นไม่สำเร็จด้วยความพยายามทางอื่นครับยินดีพูดฟังม้วนถ้าว่าเกิดพิพานะแล้วก็เป็นโรคอะไรสักอย่างที่ทำพูดไม่ได้ครับบางคนเป็นโรคอะไรอนะโรคมะเร็งต่อมอะไรสักอย่างใชนะ่ไหมกล่องเสียใช่ไหมครับ แล้วเราไปตักนั้นออกนะพูดไม่ได้เลยนะครับอันนั้นก็วนไปนรืตลอดชีวิต <c oughs> อยากจะสึกก็ถึงไม่ได้นะอยากจะสึกก็คึก <c> ฟ <oughs> ้องแผงวาจาไม่ได้ครับเพราะต้องใช้การเปล่งวาจาเท่านั้นไปนะคะอันนี้แค่นี้นะง่ายในเรื่องความพยายามเอาทางวาจาเท่านั้นความจริงมันก็มีทางที่จะให้เกิดขอกไปนะแต่มาจะไม่ดีหรอกคนที้พูดไม่ได้เลยนะ คือเขาแบบถอดผ้ากางสาว่าออกไปเลยไม่ใหญ่ดีแล้วแล้วก็ไปทำาาราชิตนี้ก็ขาดไฟฟ้าเลยเ <c oughs> ออไม่ดีมันก็มีวิธีที่ทำให้เขาแบบถ้าเราต้องการออกไป <c oughs> จริงนะโ <c oughs> อ้ยอยู่ <c oughs> ไปสึกน้นไม่อยู่นี่ดีแล้วสึกง่ายบวอยู่มีแต่ห ด, ด้กั่ได้นี่ครับกำไรเห็นๆทำกุศลตลอดเลย อ้ถ้ายเป็นอย่างนี้นไม่ต้องปเปอะไรลำบากเขาเดี๋ยวมึงพาละ <c oughs> อยู่นี่แหละแท้ฟังเลยนะครับแท้ฟังถ้ากสันมากๆก็ให้พาไปนะครับที่นั่นที่นี่บ้างนะักเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเจา้าดอนก็จะแนะนำอางนี้นใครับอยจะศึกมากๆแบบบางทีเบื่อสถานที่บางอะไรมากๆอย่างาญญนะพอเปลี่ยนสถานที่ไปเจอครูบาลาจาที่อื่นแ่ท้ฟังเนี่ยก็สามารถจะกลับใจได้นะครับก็คือลำบากไม่ได้นะครับใช่ ะ, ะครับ อ๋อแสดอนนอองอาบัติเหรวิธีปองต้องไปดูเรื่ององบัติอีกทีนะครับอ่ากบุคคลมีสองประเภทคือผู้ลาศิกขาและผู้รับเนี่ยมาถึงบุคคลแล้วนะครับผู้ลาศิกขาและก็ผู้ที่รับรู้มานดาบุคคลทั้งสองนั้นถ้าพิสุผู้ลาศิกขาไม่เป็นบ้าไม่เป็นผู้จิตวิตริตหรือไม่เป็นผู้มีเวทนารุนแรงจนเสียสติ เกกัเรื่องเป็นบ้าเป็นต้นท่านจะอธิบายละเอียดตอนในอนณาบัต น, นะครับจะอธิบายละเอียดเลยอันนี้พูดฟังก็่าว่าบ้ามีสองแบบบ้าแบบดีกำเริบ ก, กับบ้าแบบผีเข้านะครับน ะ, ะบ้ามบบดีกำเริบถืว่ามันจะมีดีสองอย่างดีที่มันสร้างไปทั่วร่างกายใช่ไหมครับการดีที่อยู่ในฝักไอ้ดีที่อยู่ในฝั่งถ้ามันกำเริบขึ้นมาน ะ, ค, ะคือมันเคลื่อนจากฝักน ะ, ค, ะคนนั้นก็จะเป็นบ้า ถ้ามันเก่าเข้าไปอย่างเดิมก็หายบ้าง <c oughs> แล้วถ้ามันเคลื่อนออกไปตลอดอะไรเงี้ยก็บ้าแบบจิสติไม่รู้เรื่องเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็บ้านถูกผีเข้าคือมีพวกยักษ์นะครับพวกอมนุษย์เนี้ยนะมาทําให้กลัวเขามาสแสดงปลายการแบบน่าเกลียดน่ากลัวมากทําให้พิสูจนั่งกลัวตกใจสิ้นขีนะครับจนเสียสติบ้าไปเลยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการบวช น, นะครับที่พูดว่าพูดเป็นโรคลมบ้าหมูใช่ไหม ให้บุดไม่ได้นั่นท่านก็อธิบายถึงนี่นะเป็นบ้างที่เรียกว่าเป็นใหงไงครับท่านบอกว่าพิสูจที่เป็นบ้าเพราะว่าถูกพวกมนุษย์ที่เป็นคู่เวรกันนะครับอย่างนี้เลยนะถูกมนุษย์ที่เป็นคู่เวรกันนะ่ะมาจ อ, าองร้านของขวนะครับเข้าพยายามข่าเไว้นะแล้วก็มากันแกล้ทําตัวให้หน้าเกียจหน้ากลัวนะครับมาหลอกหลอนจนขึ้นัวเสียสติไปเลยเป็นบ้าเลยท่านบอกว่าบ้าแค่นเนี้ยนะครับ ก้ไขยยากมากนะครับกินยางอะไรไม่หายหรอกเพราะว่าอยู่ที่ตัวมนุษย์ใช่ไหมครับถ้ามนุษย์ยังอยู่ยังมาทําได้นั่นก็เป็นมากเรื่อยๆครับอนี้นะแต่คงจะเป็นอาจจะมีเวลาอยุดนะตอนที่เขาไม่ได้มานะนะั่นน่ะก็กปกติได้แต่พอเข้ามาหลอกหลอน ก, ก็จะเป็นมากขึ้นมาได้ครับอออันนี้นะครั บ, นนรบเป็นต้นนะคุณเห็นตอนนี้คือ คือผู้ล่าสิกขาต้องเป็นคนพวกนี้นะครับมีสติดีดอยู่น ะ, ะบอกลาสิกขากับผู้ที่มีชาติเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นบ้าเป็นต้นก็เหมือนกันบอกคนที่มีชาติมนุษย์นะครับบอกกันดีด่าฉานี่ก็ไม่เอาครับถึงนีเป็นพวกหน้าพวกคุดนะบอกกับเทวดาก็ไม่เอานะครับที่ว่าพระมาวานี่ยเพราะอะไรที่บอกว่าชื่อว่าเทวดาพวกที่ปฏิสนธิเป็นตรายเหตุ มีปัญญามากย่อมรู้อะไรเร็วเกินไปนะครับอ่าก็ขึ้นชื่อว่าจิตนี้ย่อมเป็นธรรมชาติเป็นไปเร็วเพราะเห็นนะเมื่อพระเจ้าจึงทรงไฝ่พระทยว่าความพ่นุธของบุคคลหรือของปิกสุผู้มีจิตกลับกรอกอย่าได้มีเร็วนะกความน้าจิตนั่นเลยจึงทรงห้ามการลาสิกขาในสำนักของเทวดาไว้นะครับนี้นะเพราะว่าพระบางทีจิตกลับกรอกใช่ไหมเกิดแค่จะเสด็จขึ้นมาตอนนั้นนะครับ แตม่นแน่ยพอผ่านช่วงเวลาระยะนึงไปได้นะท่านอาจจะไม่เห็นจะสึกก็ได้แต่ถ้าเสึกเทวาดาก็ทีเดียวปุ๊เพราะรู้ความมาชั่วครับแล้วก็สึกไปเลยเนี่ยคงก็เลยไม่ไยากะครับท้ามหาคุณธรรมที่คุณยิ่งใหญ่มากนะครับขนาดเรื่วนี้นะนะคะรับที่อนุเคราะห์ทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีกําหนดนะครับขอให้รู้ความไม่บ้าอย่างที่ว่างก็แล้วกันนะครับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นโยมได้เท่านั้นนะทั้งหมดเลยะครับอืม เ อ, อทั้งบอกต่อหน้าด้วยต้องบอกต่อหน้าด้วยครับไอที่โทรศัพท์โทรกันเป็นต่อหน้าหรือเปล่าที่ถามเมื่อวานครับไ ม, ไม่ใช่ต่อหน้านะนั้นก็ไม่เอานะครับถ้าบอกว่าสา ม, มุขีภูโตนะเป็นผู้ีเฉพาะหน้านะต่อหน้านะงั้นโทรศัพท์ไม่เอานะครับการาสิกขาของมิสูนั้นเป็นอันสําเร็จเพราะว่าการบอกกับบุคคลนะครับเป็นอันสำเร็จนะ เอเพราะว่าการบอกกับบุคคลผู้อยู่ล่ามหลังจะเป็นการส่งคนไปบอกก็ตามส่งจดหมายก็ตามใช้ไม่ได้นะครับที่ตะโกนท่านบอกว่านะความจริงที่ตะโกนบอกลาสิกขาเนะี่ยท่านพูดถึงมีคนอยู่แถวนั่นในที่ไม่ไกลนะครับก็มีสานีนะอวิทูเลนะครับอยูที่ไม่ไกลคือไม่ได้ไกลมากนะต่อไปนะครับเอ่านี้ใชไม่ได้ลําหลังฉันไม่ได้ เอาให้มัชัวร์ๆก็แล้วกันนะครับนะถ้าใครพิสึจนะการาศึกษากับบคุคคลตามที่กล่าวมานี้เท่านั้นจึงจะสําเร็จบอกกับบคุคคลนอกจากนี้ไม่สําเร็จนะครับพวกบ้าวิชวิวิทประหลิตธ์นะเวทนารุนแรงที่เสียสติไม่รู้เรื่องหรือว่าเด็กไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับต่อไปเอ่อถึงการรับรู้ก็มีสองอย่างคือการรับรู้ของบคุคคลที่พิสูจนกล่าวเจาะจง และการรับรู้ของบุคคลที่พิสูจน์ไม่ได้ก่ารเจาะจงเนี่ยมีท mm ัศ hmm. นคาิเจาะจงแล้วก็ไม่ได้เจาะจงนะครับในสองอย่างนั้นพิสูจเจาะจงบอกแก่บุคคลใดหรือแก่บุคคลเหล่าใดว่าเราบอกแกบุคคลนี้แก่บุคคลเหล่านี้ทันทีที่เธอกล่าวจบถ้าบุคคลเหล่านั้นรู้ว่าพิสูจนนั้นบอกลาสิกขาด้วยอาการอย่างหนึ่งว่าพิสูจนนี้กระสันแล้วหรือว่า ที่สุดนี้ต้องการเป็นข้าวิหารศิกษานับว่าได้ลาแล้วถือว่าศึกแล้วนะครับนี่นะเข้าจ่อจงที่จะบอกคนนี้หรือว่าคมมกลุ่คนกลุ่มนี้นะครับถ้าจ่อจงบอกคนเดียวเนี่ยมันไม่ยากใช่ไหมเราบอกไปแล้วก็เขา้ารู้เรื่องเลยว่าเราพูดอย่างนี้หมาเพราะว่าเราต้องการจะศึกต้องการเป็นข้าวิหารแล้วนะครับแต่ว่าถ้าบอกหลายคนเช่จนเจาะอจงหลายคนนะครับเจ่อจงเนี่ยโดยที่พูดด้วยโดยที่สั่งอวิสุทธ์ด้วยสองคนเนี่ย ก่อนเราพี่พูดรู้คนเดียวเราพี่มีสุนไม่เข้าใจอย่างนี้น่ะจะเป็นอนนะไรไหมครับอันนี้เป็นไหครับนั่นในสมมติฐานนก็บอกว่าเป็นนะครับถ้าเราจอบจองแบบหลายคนยนี้นะคนใดคนหนึ่งรู้ก็เป็ น, นสึ่ง น, นะครับนี่นะครับอันนั้มาศิกขาแล้วแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นต้องใข ค, ควรอยู่ก่อนว่าพิสูจนนี้พูดอะไรต่อมาภายหลังจึงรู้ได้ หรือมีบุคคลเหล่าอื่นรับรู้เข้าสิทธาถือว่าไม่เป็นอันบอกลาครับเพราะว่าการรับรู้เขาต้องรับรู้ในขณะนั้นหมายความว่าพอเราพูดกันแล้วเนะี่ยพูดออกไปแล้วเขาก็รู้รับรู้แนะตาธรรมดานะครับอย่างนี้คนก็พูดกันนะแต่ถ้าต้องมานั่งคิดก่อนเอ๊ะที่ว่าอะไรนะแล้วมารู้ภายหลัานี้ก็ไม่เป็นอาาันลาหรือว่าคนที่เราเจาะจงแล้ไม่รู้แลับไม่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอย่างนะี้นะคนอื่นกลับมาเข้าใจแทนครับนี่ก็ไม่เป็นอาาันลา ก็เราเจาะจงครับก็เราเจาะจงนะการสืบหาถือว่าไม่เป็นอันลาแต่เมื่อพิสูจ์บอกโดยไม่ได้เจาะจงบุคคลนะถ้ามีมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งรับรู้เนื้อความตามที่กล่าวแล้วการสืบหาถือว่าใช้ได้เหตุใดเพราะไม่ได้เจาะจงนะบอกไปทั้งห้องไม่ได้เจาะจงใครก็แล้วแต่ขอให้รู้นะพอใครสักคน ร, รู้เข้าก็เป็นอันลาแล้วครับอการสืบหาจะสําเร็จได้ ก็ด้วยการรับรู้ของบุคคลอย่างนี้หาได้สำเร็จด้วยความไม่มีการรับรู้ของบุคคลไม่ส่วนพิสูจใดต้องการเลาะเล่นบอกลาสิกขาพิสูจนนั้นชื่อว่าไม่ได้ลาสิกขาเลยเพราะต้องการพูดเล่นในเรื่องนี้ไม่เป็นอยู่แล้วเพราะเห็นนั้นในข้อว่าสิก้าอปัจจัคหายะทุพพระยานาวิกตตะวานะครับไม่ได้บอกลาสิกขาไม่ไทาําความเป็นผู้ทุรพุให้แจ้ง จึงมีความว่าพิสุได้ ย, ยังไม่ได้ลาสิกขาไม่ได้สึกนะตามองค์ประกอบมีจิตเป็นต้นดังกล่าวมานี้หรือบอกลาแต่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังไม่เป็นลาทั้งยังไม่ได้บอกความท้อแท้บางอย่างซึ่งเป็นอันแห่งการลาสิกขาการบอกความท้อแท้ใจบางอย่างเป็นการลาสิกขาด้วยเอคือคำลาสิกขาต่างๆนะเป็นการเปิดเผยความท้อแท้ใจด้วยเป็นการบอกลาสิกขาด้วย เส้นอลังเมพุทธเถนะใช่ไหมพอที่พระพุทธเจ้าสำหรับเรานะอันนี้โหเปิดเผยความท้อแท้ใจนะครัไม่เอาแล้วนันเต็มที่เนะพูดอย่างนี้ออกไปนะครับ<ม>ก็เป็นคารลาศึกขาไปด้วยนะลาศิกขาไปด้วยอ่าแล้วเสดเมถุนเข้าดูที่สุดแม้เก่สาสติลสารตัวเมียต้องอัมบัติปาราชิตนี่ท่านจะอธิบายข้างหน้าทาไมเนี่ยศิกขา บ, บทของพระเนี่ยปาราชิกข้อแรกเนีทำไมยาวจนะัง มีอะไรนะเข้าถึงสินค้าและอาชีพใช่ไหมของพิสูจทั้งหลายไม่ได้บอกเคยสินค้าไม่องเป็นพยานคนให้แจ้งนะครับเพราะว่ามีอนุบัญญัตินนะภาพบัญญัติครั้งแรกคือสร้งตั้ง น, น, นะครับเดี๋พูดต่อข้างหน้านะต่อมามีอนุบัญญัติเรื่องอะไรนะพิสูจน์ชาวบ้านชีใช่ไหมที่ไปทําปราชีเสร็จแล้วนะครับก็ขอกลับมาบวชอีกนะมา อ, อ้อนวอนขอร้องพระอานนท์ข้านขอให้บวอีกนะพ่านึนก็ไป การพูดพระเจ้านะครับพระเจ้า ก, ก็ว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะใช่ไหมที่พระฐารกุศลเจ้าเนี่ยจะทรงเพิกถอนประลาที่ทรงบัญญัติไปแล้วนะครับไม่มีนะยังไงพวกบัญญัติไปแล้วใครไปทําไปต้องเป็นประลาชิพแล้วเนี่ยก็กลับมาบุญไม่ได้นะครับมาอ้อนวอนขอร้องอะไอนี้ไม่ได้นะก็เลยจะมีภาพบัญญัติองนี้เข้ามานะครับสิกขาปัจจขยายทุกภระระยานั้นกัตตะวายยังไม่ไลสิกขาย้งไม่ ไ, ไ, มไ ท, ม ท, ท, ท้อเปิดเผยความท้อแท้ใจ ต่อไป